สดุดีไทยแท่สองสรรเสริญมหาการุณราชดำเนินทั่วล่า ร, รมพระทรงเจริญทศพิษธธ ร, รมแห่ราชาบารมีเจิดจ้ารุ่งแล้ว แผ่นดินทองคุ้มองบดินเจ้าภูมิพลเกล้ากราบไตรดลปกป้องครองราชปราดทั่วสปลแหนแห่ใจพักเทิดเกียรติกล้องคู่ฟ้าบิดาสยามสำหรับวันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยโครงสดุดี ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในปีมหามงคลสมัยที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบหกรอบหรือ72พรรษาซึ่งเป็นปีทองของชาวไทยที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสอันเป็นมงคลของประชาชผู้ทรงทศพิตรราชธรรม สำหรับรายการธรรมสู่สันติวันนี้ก็จะได้นำเสนอธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ท่านสาธุชนซึ่งในขณะนี้ก็มีความลังเลสงสัยเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายว่าตรงตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ดังมีคำบรรยายของพระอาจารย์มหานัตพลเศรฐธรมโเรียนธรรม9ประโยค จากวัดสะเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพที่ได้พูดไว้ในคราวอบรมพระกรรมฐานประจำปีในรุ่นธันวาคมที่ผ่านมานี้ได้แสดงถึงหลักธรรมคำสอนที่มาของวิชาธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงกลเทพมุนีจึงอยากให้สาธุชนได้สดับรับฟังเรื่องราวของวิชาธรรมกาย จากท่านผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งคือพระมหานัตพลเศรษฐธรรมโมรเรียนธรรม9ก้าประโยชน์จึงขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังความคิดเห็นซึ่งท่านบรรยายไว้โดยพร้อมกันหลวงพ่อสดธรรมกายารามของเราสร้างมาตั้งแต่ปี2525 25นครับ2525 25 โดยความเห็นชอบของหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ซึ่งสมัยนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณพระพรมคุณาพรครับร่วมกับวัดปากน้ำสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับได้ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของมู ล, ลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย ได้ก่อตั้งได้ซื้อที่ตรงนี้แล้วก็มีผู้บริจาคเพิ่มเติมครับตั้งเป็นสถาบันพุทธภ า, ภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นมาเปิดการอบรมด้านวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สั่งสอนสืบไว้นะครับสืบมาหลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยของเราเนี่เป็นลูกศิษย์ โดยตรงของหลวงพ่อพระภาวานาโกสลเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ําองค์ปัจจุบันครับซึ่งสืบต่อจากเจ้าคุณภาวนาองค์กรคือเจ้าคุณเจ้าคุณเล็กเจ้าคุณเีระครอสุวรรณนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อโดยตรงหลวงพ่อภาวนานี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลงวหลงพ่อวัดปากน้ําหลวงพ่อวัดปากน้ําอุปสมบทบวทพระให้ท่านด้วย แล้วก็เป็นผู้สอนพระกรรมฐานให้ด้วยกับหลวงพ่อภาวนาองค์ปัจจุบันนี่ครับวีระขนุตตะโมนี่ครับจากนั้นในด้านวิชาธรรมกายจึงได้รับถ่ายทอดจากหลวงพ่อโดยตรงและก็ร่วมกับภูบาอาจารย์หรือว่าจากเพื่อนสาสธรรมมิกในรุ่นนั้นของท่านโดยตรง จนต่อมาท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่า ย, ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ำองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นที่เคารพนับถือภายในวัดปากน้ำในกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมในสายของวิชาธรรมกายต่อมานั้นพระอาจารย์มาเสริมชัยของเราซึ่งสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคราวาสก็ส่อสแหว่งหาครูบาอาจารย์มาเรื่อยครับแรกแรก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประศิษฐ ก็อยู่ในวัดปากน้ำนั่นแหละเรียกว่าบ้านธรรมประเสริฐซึ่งมีอุบาสิกาแม่จีจันคนนกยูงเป็นผู้สั่งสอนก็ได้เข้าไปแต่ไปทีหลังหลวงพ่อวัดพระธรรมกายทั้งสองท่านคือท่านทัตตะหลวงพ่อทัตตะแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยนะครับพาลูกสาวไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นไม่นานครับรู้สึกว่า ท่านมีอะไรบางอย่างอันนี้ผมก็ไม่ไม่ขอพูดนะครับท่านก็เลยออกมาออกมาแล้วก็มีพระอาจารย์นัทพนันซึ่งอยู่ที่วัดปากน้ํานะครับเป็นผู้แนะนําท่านเข้าหาหลวงพ่อภาวนานิมนต์อาจารย์มหาเสริมชัยนิมนต์อาจารย์นธนัทนันเป็นอาจารย์เป็นผู้พา ตัวท่านเองแล้วก็ญาติโยมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนาวสามีของอาจารย์เสริมชัยสอนที่วัดธาตุทองปฏิบัติธรรมกันอยู่มาจนกระทั่งอาจารย์เสริมชัยท่านปฏิบัติถึงเห็นธรรมกายอาจารย์นัทนันก็พาข้อกราบหลวงพ่อพอนานานั่นแหละครับจึงเจอกันที่เจอกันนั้นเคยได้ยินหลวงพ่ออาจารย์มหาเสริมชัยท่านบอกว่าพอเจอหน้ากันครั้งแรกท่านบอกว่า หาอยู่เหมือนกันเจอหน้าครั้งแรกเห็นอาจารย์เสริมชัยตอนนั้นยังไม่บวชแวท่านบอกว่าหาอยู่เหมือนกันเพิ่งเจอก็ไม่ทราบวัฒนาอะไรนะครับหาอยู่เหมือนกันเพิ่งเจอก็นั้นแหละครับท่านก็เลยได้รับถ่ายทอดวิชาธรรมกายจากหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพพระภาวนาโกศลเถระ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระบุญนาโงสนเถระได้รวบรวมท ร, รมัปฏิบัติเบื้องสูงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําได้สั่งสอนไว้ตั้งแต่ตอนที่พระคุณท่านยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นท่านสอนให้เห็นดวงเห็นกายจนถึงองค์พระนิสอนทั่วไปทั้งหมดภายในวัดปากน้ําวันพฤหัสก็สอนภาคบ่าย วิชาครูท่านว่าสอนสอนแบบคือวันครูนะครับสอนภาคบ่ า, บายเนาะนั้นก็ตอนเย็นหลวงพ่อก็สอนวันพระท่านกฤษ เ, เรื่องวิชาธรรมกายนะครับแต่จะสอนเบื้องต้นถ้าสอนส่วนกลางนะครับส่วนรวมส่วนเบื้องสูงนั้นลกูกศิษย์ที่ถึงธรรมกายแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับถ่ายทอดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดปากน้า ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ํานั้นท่านให้ทําวิชาภาษาทางปฏิบัติท่านบอกว่าทําวิชาคือเดินวิชาที่เมื่อถึงธรรมกายแล้วทําอย่างไรวิชานั้นท่านให้ทําในห้องเป็นห้องพิเศษท่านเรียกว่าโรงงานโรงงานก็คือโรงงานทางจิตก็คือกรร ม, มัฐานนั่นเองกรร ม, มฐาน กรรมก็คือการงานฐานะที่ตั้งของการงานนั่นแหละหลวงพ่อท่านพูดเป็นภาษาไทยว่าโรงงานมีทั้งอุบาสิกามีทั้งพระภิกษุสามเณรเข้าเวรปฏิบัติแต่ว่าท่านจะกั้นห้องกั้นห้องห้องของพระภิกษุส่วนหนึ่งแม่ชีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าท่านก็จะมีอามานันาต่างเดชเจาะ ตรงกลางไว้เพื่อที่ท่านจะสั่งวิชาไปทางเมธีซึ่งเมธีจะอยู่ทางด้านในท่านก็จะนั่งคุมอยู่กับพระภิกษุสามเณรท่านก็จะสั่งวิชาอาจารย์พระมหาจันทร์ได้ยินอันนี้พระอาจารย์มหาเสริมชัยเป็นคนพูดให้ผมได้ยินนะครับอาจารย์มห า, มหาจันทร์ได้จดวิชาที่หลวงพ่อสั่งวิชาแต่ละวันแต่ละครั้งนั้นท่านจดไว้ครับจดเป็นบันทึกไว้ วิชานั้นทำอะไรบ้างมีตั้งแต่เบื้องต้นเขาเรียกว่าวิชานิวาสสังทาด ธ, ธรรมคือการชาระกิเลสทั้งข้างในนี้แหละถ้าเราจะพูดโดยทั่วๆไปก็คือจเจริญวิปัสสนานั่นเองส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากวิชาธรรมกายนั้นเมื่อเข้าถึงซึ่งเข้าถึงละเอียดละเอียดแล้วมีอนุภาพมากช่วยเหลือตัวเองได้คนเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ไม่หนักก็ช่วยได้จึงได้ยินว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำรักษาคนรักษาโรคที่วัดปากน้ำสมัยนั้นมีทั้งพระมีทั้งชีช่วยกันรักษาขณะนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่จะมีใบบอกโรคที่เขาแจ้งไว้แล้วยังได้ยินว่าแม้สมัยสงครามโลกนั้นหลวงพ่อเองกับศิยานุสิตที่ถึงธรรมกายนั้น ได้ช่วยเหลือบ้านเมืองในทางที่สุดละเอียดช่วยเหลืออย่างไรนั้นเราก็ไม่ทราบแต่ท่านบอกว่าเมื่อเท่าเราทำข้างในดีแล้วข้างนอกมันจะค่อยๆดีเองเคยได้อ่านในหนังสือที่บันทึกไว้ว่าหลวงพ่อมีคนมาถามถ้าระเบิดลงวัดปากน้ำจะทำยังไง ท่านบอกว่าถ้าระเบิดลงวัดปากน้ำจะเลิกวิชาธรรมกายที่หน้าวัดปากน้ำนะ่ะเป็นคลองมีทหารญี่ปุ่นมาอยู่เป็นจำนวนมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพวกพันธมิตรเขามาทิ้งระเบิดเขาต้องการที่จะทำลายทหารญี่ปุ่นแล้วก็ที่สำคัญสำคัญที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเขายึดครองประเทศไทยแต่ว่ายึดครองโดยพันธมิตร พวกเราที่ได้อ่านประวัติศาสตร์ก็ทราบดีทราบดีกว่าตมาอีกเขาจะทิ้งระเบิดโรงไฟฟ้าวัดเรียบสะพานพุทธอะไรต่างๆที่เขาเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะช่วยให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยมีพลังเขาจะขัดขวางหลวงพ่อวัดปากน้ำบอกว่าถ้าวิชาธรรมะถ้าระเบิดลงวัดปากน้ำหลวงพ่อจะเลิกวิชาธรรมกายแข่งขันมาก อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าระเบิดลงข้างวัดคอกหมูหรือวัดอะไรตรงๆนั้นใกล้ๆ น, นัวัดอะไรวัดอัปรสรสวรรค์รออะไรนั้นข้างโบสถ์ด้วยจนโบสถ์เอียงหลวงพ่อเรียกลูกศิษย์เข้าประชุมแล้วท่านบอกว่าให้ทุกคนตั้งใจทำให้เต็มที่เลยเอาเลยถ้าระเบิดลงวัดปังน้ำขอยอมตาย จะเลิกวิชาธรรมกายครับในสีผู้ใกล้ชิดนั้นก็บอกว่ามีส่วนอยู่มากที่เราพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรที่อยู่ข้างในเราช่วยกันข้างในแล้วมันค่อยๆดีขึ้นชาวพุทธเราส่วนมากก็มองภาพรวมของสงครามหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยรวมๆมาว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยกําลังว่าจะถึงจุดเดือด ที่สุดแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำให้ประเทศไทยของเราสงบแล้วก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงจนไม่รู้จะพูดอะไรจนไม่รู้จะหมายถึงอะไรจรึงพูดรวมๆกันว่าพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองประเทศไทยและเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงทศพิตรราชธรรม ปกครองประเทศไทยอยู่และเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธในประเทศ99 95เปในสมัยนั้นนับถือคนดียังมีอยู่มากพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนร่มเย็นที่นั่นที่สำคัญเรามีองค์พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยู่ที่วัดพระแก้วแล้วเราก็ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เองที่บ้านเมืองของเราที่ในภาพรวมคนส่วนมากสรุปว่านี่แหละที่ทำให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเรื่อยมาไม่ว่าเหตุการณ์ภายใน ภ, ภายนอกหรือรับขันขนาดไหนก็ตาม จึงเราภูมิใจกันอยู่ว่าประเทศไทยเท่านั้นที่คงครองความเป็นเอกราชมาได้ในแหลมอินโดจีนนี้ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครว่าอย่างนั้นถ้าเมืองไทยไม่มีพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วกระผมเรือตั๋มมั่นใจว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ตามทั่วๆไปนั้นพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้ด้วย พุทธบริษัททั้งสภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันประพฤติธรรมและนอกจากนั้นก็ยังมีเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่คุ้มครองพระศาสนาเขารักษาพระศาสนาช่วยดนจิตดนใจให้คนคิดถูกทำถูกถ้ามีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคนไหนเป็นคนดีมีปัญญาเขาจะช่วยดนจิตดนใจมา มาให้คิดทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มาช่วยบ้านช่วยเมือง น, นี่เป็นอย่างนั้นเห็นมาอย่างนั้นตลอดสังเกตดูเถิดว่ารอบๆประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างเป็นสังคมนิยมไปเกือบหมดแล้วเหลือประเทศไทยถามว่าประเทศเหล่านั้นมีพระพุทธศาสนาหรือไม่ตอบว่ามีแต่การปฏิบัติ เหมือนภิกษุในประเทศไทยหรือเปล่ากระผมเด า, เาว่าคงจะย่อหย่อนแม้แต่ในที่เบตในประเทศจีนที่นับถือคนละนิกายกับเราเขาไม่เคร่งในด้านพระธรรมวินัยเมื่อไม่เคร่งในด้านวิธรรมวินัยการบรรลุมรรคผลก็มีน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดประเทศจีนก็แท้จะไม่มีพระภิกษุหลงเหลืออยู่ ญี่ปุ่นเกาหลีบางนิกายก็มีภรรยาได้หรือแต่ทาไมแต่ทางทิเบตก็เหมือนกันแต่ถ้ามองว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนในโลกที่มั่งมั่นคงเขามองกันที่ว่าประเทศไทยของเรานี่แหละประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาแบบเทเราวาเคร่งครัด พระวิเนยสองยี่สบเจ็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรรักษาอย่างนั้นมาตลอดตัวพระวินนยนี่เองจึงเป็นรากแก้วของพระศาสนาพระที่บวชเข้ามาแล้วไม่มีวิเนยความเป็นพระในเบื้องต้นไม่มีถ้าเอาวินนยออกแล้วชาวบ้านกับพระเหมือนกันหมด ที่พระกับชาวบ้านต่างกันเพราะพระมีวินัยหรือศีลเป็นเครื่องทำต่างกันในประเทศไทยของเราบางยุคบางสมัยพระอาจจะยังไม่เคร่งเพราะว่าอาจจะบ้านเมืองไม่สงบเช่นในสมัยสงครามก็อาจจะมีบ้างแต่ส่วนมากแล้วท่านเคร่งรัดและเมื่อมีช่วงที่สงครามสงบพระท่านออกปฏิบัติเมื่อปฏิบัติใจสงบยิ่งเห็นคุณค่าของศีลมากขึ้น ว่าถ้าไม่มีศีลแล้วกิเลสมันเข้าคนไม่มีศีลกิเลสมันเข้าเอาแคตต่ต้นแค่ว่าอินซีสังวรซึ่งเป็นปาริสุทธิศีลเนี่ยถ้าไม่มีศีลแะสังวรตัวนี้อินซีสังวรตัวนี้กิเลสมันไหลเข้าแล้วไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงศีละสังวรการสังวรด้วยศีลคือศีลอินซีสังวรตัวนี้ก็สำคัญอยู่แล้ว ถ้าเอาศีละสังวรออกไปอีกหมดเลยไม่มีศีลหมดเลยถือแต่ปรมาจาอย่างเดียวไม่มีศีลพระพุทธศาสนาไม่มีที่อยู่เหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้วฉะนั้นในสมัณตปาสาธิกาท่านจึงบอกว่าพระวินัยเนี่ยจึงเหมือนรากแก้วของพระาศาสนาต้นไม้ที่มีรากแก้วถ้ารากแก้วย่างลงยึลึกเท่าไหร่ลมมาเท่าไหร่ก็ไม่โค่น ในการสังคายนาพระธรรมวินัยท่านจึงยกสังขายนาอันอะไรก่อนต้องยกสังขารนาพระวินัยก่อนจึงพูดถึงพระวินัยก่อนว่าพระวินัยข้อนี้ใครเป็นคนจัดพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรบัญญัติไว้อย่างไรจัดไว้เป็นพระวินัยเป็นดลบวดเข้ามาแล้วท่านยังไม่ได้บรรลุอรหันต์ท่านต้องมีวินัยไว้มีศีลไว้เพื่อให ต่างจากชาวบ้านเขาเพื่อให้กิเลสไม่ได้เข้ามาในจิตในใจของท่านต้องมีศีลถึงแม้จะยังไม่ได้บรรลุถ้าท่านมีศีลท่านโยมถวายข้าวของเขาก็ได้พุนกุศลถึงแม้เราเป็นสมมติสงอยู่พระสงฆ์จึงมีสองประเภทสมมติสงกับอริยสงเราทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์หรือว่าไม่ได้รู้บรรลุปุณธรรมเบื้องต้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจึงชื่อว่าเป็นสมมติสงกันอยู่ แต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วจะเป็นอริยสงฆ์ขึ้นมาอาริยสงฆ์นั้นไม่จํากัดเพศ ช, ชาวบ้านก็เป็นได้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนละสัญญอดเบื้องสามได้ส ก, กายยะทิฏ ฐ, ฐิวิกิจฉาศีลพรตพตปรามาตได้เป็นชาวบ้านได้อริยบุคคลอย่างนั้นนี่ผมเมื่อามาได้รารบมาเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเกี่ยวกับประเทศไทยที่รอดพ้นเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดปางน้ํ า, าที่ ได้ทำกับลูกศิษย์ด้านในของวิชาธรรมกายทำโรงงานทาอยู่ในโรงงานนั้นวิชานี้จึงมีเฉพาะในส่วนผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วแล้วจดบันทึกของอาจารย์พระมหาจันทร์ได้ตกมาที่หลวงพ่อพระภาวนาโกศลอาจารย์เสริมชัยจึงได้เอาคำพีที่ท่านจดมานั้นมารวบรวมก็พิมพ์เป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่ ม, ล ม, ลมได้สามเล่ม แล้วก็ยารวบรวมธรรมเทศนา63กันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำที่บันทึกเป็นเทปไวเอามาพิมพ์วัดปากน้ำก็พิมพ์ออกมาอยู่เรื่อยๆถ้าใครไปวัดปากน้ำก็จะเห็นแต่ในเทศนา63กันนั้นมีธรรมกายเบื้องสูงพูดอยู่บ้างปนกันไปแต่ในด้านของวิชาสสารธาตุธรรมหรือว่าเจริญวิปัสสนานั้นนะ ไม่ได้มอบให้ใครง่ายๆเพราะเหตุว่าคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นเห็นองค์พระหรือธรรมกายจะไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรเม้แต่ภาษาพูดท่านออกมาบรรยัญญติพูดนั้นก็คือพื้นๆแต่เอ๊ะมันยังไงไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วแทนที่จะศรัทธากลับจะดูถูกว่าเอ๊ะมันอะไรกัน เป็นบาปแก่ผนนั้นอีกกลัวว่าเขาจะบาปเลยไม่ให้แต่เมื่อถึงธรรมกายแล้วอยากจะทำต่อเอาเลยทีนี้มอบให้หลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมใจท่านเห็นประโยชน์ว่าวิชาธรรมกายเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้ามอบให้แก่ชาวพุทธทุกคน จึงไม่ควรที่จะจำกัดอยู่เฉพาะตนหรือในกลุ่มของตนเท่านั้นควรจะได้เผยแพร่ให้รู้กว้างขวางกันไปทั่วหมดประเทศหรือทั่วโลกได้ยิ่งดีทำอย่างไรจึงจะทำอย่างนั้นได้นี่แหละสถาบันพุทธโลนาวิชาธรรมจึงเกิดขึ้นเมื่อปี2525 25, เปิดอบรมพระกรรมฐาน พระคุณเจ้าญาติโยมพิสษุสน์สามเนนมาเท่าไหร่ถึงธรรมกายขอให้ปฏิบัติให้ถึงจะแจกให้ถวายเลยมีความเข้าใจได้เท่าไรคุณรับเท่าไรเอาไปเลยขออย่างเดียวเอาไปทำให้ถูกให้ตรงตามที่หลวงพ่อพระเด็บพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำสอนไม่หวงไว้เฉพาะตนเอง นโยบายของหลวงพ่อพระอาจารย์มาสิ่มชัยคือสร้างพระในใจคนในใจตนเองด้วยสร้างพระในใจพระในใจญาติโยมด้วยก็คือสร้างพระในใจคนนั่นเองไม่นิยมสร้างอย่างอื่นสร้างวัตถุแต่สร้างเท่าที่จำเป็นแต่จุดมุ่งหมายใหญ่ของที่นี่เพื่อสร้างพระในใจคนเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์คือเมื่อปฏิบัติได้ดีแล้วออกไปเผยแพร่ให้เขารู้ว่าวิชาทากายมีอะไรบ้าง และเพื่อจันหลงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่างน้ําสั่งสอนมาโดยถูกต้องไม่มีบิดพลิ้วไปอย่างอื่นนี่คือนโยบายที่หลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมใจซึ่งขณะนั้นยังไม่บวชมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาสมเด็จพระมหา ร, รหารชมังคลาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์วัสเกต เป็นรองเป็นประธานและรองประธานตามลำดับและก็ด้วยการสนับสนุนของอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาตรัตว์ปษณษณาปกนา้ำจึงเปิดการอบรมมาเรื่อยๆๆแล้วมีถามกันบ่อยเหลือเกินจนอาตมาขี้เกียจตอบถามว่าแล้ววัดธรรมกายกับที่ดําเนินนี่เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าสาขาอะไรเปล่า ขอบอกว่าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อยากจะบอกเป็นคนละนโยบายคนละหน่วยงานคนละกลุ่มบุคคลกันที่นี่ก็คือที่นี่ไม่รับไ ม, ไม่ไม่รู้อะไรไม่เกี่ยวอะไรกันเราดําเนินนโยบายตามตรงนี้มีพระผู้ใหญ่หลวงพอ่อสมเด็จพระมหารัชมังคล า, ารย์วัดป่าน้ำหลวงพ่อพระพุทนาโกสลคอยดูแลหลวงพ่อสมเด็จคอยดูแลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่นอนละ่ะเกี่ยวกับวิชาธ ร, รมกายนี่มันกระเทือนถึงกันหมดเหมือนว่าคนลูกพ่อเดียวกันเนี่ยแม้แต่จะแยกครอบครูออกไปไปอยู่คนละทิศคนละทางก็ยังใช้นามสกุลเดียวกันอยู่แต่พอทำไม่ดีเข้าก็ด่านามสกุลเดียวกันเหมือนกันมันกระเทือนถึงกันหมดแต่ก็ไม่หวั่นไหว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 พุ่มเทชีวิตทั้งหมดลาออกจากงานที่กำลังเจริญก้าวหน้ามามาจัดเผยแพร่วิชาธรรมกายของจริงอย่างนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการวันนี้ซึ่งอาตมาได้นำบทบรรยายของพระอาจารย์มหานัตพลเศรษฐ ธ, ธรรมโปริยนธรรมก้าวประโยชน์ซึ่งเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายท่านหนึ่งได้พูดถึง เรื่องราวความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและพูดถึงที่มาของวิชาธรรมกายผู้เผยแพร่วิชาธรรมกายอยู่ในปัจจุบันนี้สําหรับวันนี้อาตมาได้นําเสนอให้ท่านสาธุชนได้รับทราบซึ่งธรรมบัญญายเรื่องนี้ยังไม่อีกในตอนต่อไปทางรายการก็จะได้นํามาสู่ท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้ รายการธรรมะสุสันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร